บทที่เจ็ดปัญญาและความสงบภายในปัญญานำน้ำใจตามอาความเมตตาการุณาเปรียบได้กับนกเขาที่สวยงามสติปัญญา จะเปรียบได้ดังปีกของนกความเมตตาการุณาที่ขาดปัญญาย่อมไม่สามารถจะไปได้ด้วยดีลูกเสือคนหนึ่งกำลังทำหน้าที่พลเมืองดีในวันหนึ่งด้วยการพาหญิงชาราข้ามถนนที่มีรถพลุกพล่านความยุ่งยากอยู่ที่ว่า เธอไม่ได้อยากจะข้ามถนนแต่เธอรู้สึกเกรงใจเกินกว่าจะบอกหนุ่มน้อยผู้นั้นน่าเสียใจว่าเรื่องนี้แสดงได้ชัดเจนถึงสิ่งที่เรียกว่าความการุณาในโลกเรานี้เรามักจะทึกทักอยู่บ่อยๆว่าเรารู้และเข้าใจว่าคนอื่นต้องการอะไร ชายหนุ่มผู้หนึ่งหูหนวกมาแต่กำเนิดพ่อแม่พาเขาไปหาหมอเพื่อตรวจร่างกายตามปกติหมอได้เล่าให้พ่อแม่ฟังอย่างตื่นเต้นถึงกระบวนการรักษาแผนใหม่ที่หมอเพิ่งอ่านพบในนิตยสารการแพทย์ราวสิบเปอร์เซ็นตของผู้ที่เกิดมาหูหนวกมีโอกาสจะได้ยินเต็มร้อยด้วยการผ่าตัดที่ไม่ยากและไม่แพงหมอถามพ่อแม่ว่า อยากจะให้ลูกชายได้รับการผ่าตัดหรือไม่พ่อแม่รีบตกลงทันทีพ่อหนุ่มคนนั้นเป็นหนึ่งในสิบเปอร์เซนต์ที่การผ่าตัดได้ผลและบัดนี้เขาสามารถได้ยินชัดเจนแต่เขากับโกรธและไม่พอใจทั้งพ่อแม่และหมอ เขาไม่ได้ยินพ่อแม่ของเขาปรึกษากับหมอในวันตรวจร่างกายไม่มีใครสักคนถามเขาว่าเขาต้องการจะได้ยินหรือไม่บัดนี้เขาคร่ำครวญว่าเขาต้องอดทนต่อเสียงที่รบกวนเขาอยู่ตลอดเวลาซึ่งสำหรับเขามันแทบจะไม่มีความหมายใดๆเลยเขาไม่เคยอยากจะได้ยินมาตั้งแต่ต้นแล้ว ทั้งพ่อแม่หมอและตัวอาตมาเองก่อนที่จะอ่านเรื่องนี้ล้วนทึกทักว่าทุกๆุกคนย่อมอยากที่จะได้ยินเรารู้ดีที่สุดความกรุณาที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานเช่นนั้นเป็นเรื่องง่เขลและอันตราย มันก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากในโลกเรานี้ ต่อลูกชายปัญหาของพ่อแม่มีอยู่ว่าพวกเขาคิดอยู่เสมอว่าเขารู้ดีที่สุดว่าลูกๆของเขาต้องการอะไรและบ่อยครั้งที่มันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดบางครั้งเขาก็เข้าใจได้ถูกต้องต่างเช่นที่กวีชาวจีนสูตุงโพซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงพุทธศักราช 1,579 ถึง 1,644 ได้ประพันธ์นร้อยกรองไว้เมื่อเกือบพั น, นปีมาแล้วเมื่อลูกเกิดครอบครัวมักหวังให้ฉลาดเฉลียวส่วนฉันผู้ทำลายชีวิตตนเองด้วยความเฉลียวฉลาด กลับหวังให้ลูกงี่เง่าเบาปัญญาเขาจะได้มีชีวิตที่สงบและจบลงด้วยการเป็นเสนาบดีในที่สุด เมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษาอาตมาใช้เวลาส่วนใหญ่ตอนปิดภาคฤดูร้อนไปเดินและตั้งแคมป์บริเวณภูเขาในสกอตแลนด์อาตมามีความสุขกับความสันโดษความงามและความสงบของภูเขาในสกอตแลนด์ในบ่ายที่น่าจดจำวันหนึ่ง อาตมากำลังเดินทอดน่องบนถนนแคบๆสายหนึ่งริมมหาสมุทรซึ่งคดเคี้ยวไปตามหัวแหลมและอ่าวเล็กเหนือสุดของสกอตแลนด์พระอาทิตย์อบอุน่นเจิดจ้าราวกับสปอร์ตไลท์ส่องความงามที่แสงพิเศษรอบๆตัวอาตมาหญ้าสีเขียวสดใสยามฤดูใบไม้ผลิทุ่งโล่งกว้างดูอ่อนนุ่มราวกับกำมะหยี่ พลิ้วไหวไปมาสุดลูกหูลูกตาหน้าผาถูกแกะสลักเหมือนโบสถ์ที่งดงามสูงตรงานอยู่เหนือท้องทะเลที่หมุนวนมหาสมุทรเป็นสีฟ้าในยามเย็น่องประกายระยิระยับเกาะหินสีน้ำตาลและเขียวเกาะเล็กเกาะน้อยราวกับกำลังโตคลื่น อ, อยู่จนสุดขอบฟ้า แม้แต่นกนันนวลก็ร่อนทลาบินจวัดเวียนไปมาอย่างมีความสุขสุดๆอาตมาแน่ใจเช่นนั้นมันเป็นธรรมชาติที่งดงามที่สุดในภูมิประเทศส่วนที่สวยงามยิ่งของโลกในวันที่แดดเป็นใจยิ่ง กำลังเดินอย่างสบายอารมณ์แม้ว่าเป้ที่สะพายหลังไว้จะหนักอึ้งอาตมากำลังมีความสุขสนุกสนานไร้กังวลใดๆเต็มไปด้วยแรงบรรดาใจจากธรรมชาติรอบตัว เบื้องหน้าอาตมามีรถยนต์เล็กๆคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทางใกล้ๆหนาาอาตมาวาดภาพในใจโดยทันทีว่าคนขับรถคันนั้นคงต้องมนต์เสน่ห์ความงามที่นี่และคงหยุดรถเพื่อจะดื่มด่ำความวิเศษนี้แต่เมื่ออาตมาเข้าไปใกล้รถยนต์คันนั้นพอที่จะเห็นได้ผ่านกระจกหลัง อาตอมา ก, ก็รู้สึกผิดหวังผู้ที่นั่งอยู่ในรถเพียงคนเดียวนั้นเป็นชายกลางคนเขากำลังอ่านหนังสือพิมพ์ขนาดของหนังสือพิมพ์นั้นใหญ่นักมันจึงบดบังทิวทัศน์ทั้งโลกรอบตัวเขาแทนที่เขาจะเห็นมหาสมุทรหน้าผาเกาะและทุ่งหญ้าเขากลับเห็นแต่สงครามการเมือง เรื่องอื้อฉาวและกีฬาหนังสือพิมพ์นั้นกว้างมากแต่ก็บางมากๆด้วยเพียงแค่ไม่กี่มิลลิเมตรอีกด้านหนึ่งของกระดาษหนังสือพิมพ์ที่น่าเบื่อนั้นมีความงามบริสุทธิ์ของธรรมชาติสวยดังสีของสายรุง้งอาตมาคิดอยากจะดึงกันไกออกมาจากเป้จะได้เจาะรูเล็กๆบนหนังสือพิมพ์ของเขา เพื่อเขาจะได้เห็นว่ามีอะไรบ้างที่อีกด้านหนึ่งของบทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่เขากําลังอ่านอยู่แต่เขาเป็นชายชาวสกอตร่างใหญ่ขนดกส่วนอาตมาก็เป็นเพียงนักศึกษาตัวผอมแห้งที่กินอาหารไม่เพียงพออาตมาจึงทิ้งเขาไว้กับการอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับโลกในขณะที่อาตมาก้าวอยู่ในโลกที่เป็นจริงอย่างมีชีวิตชีวา จิตของพวกเราส่วนใหญ่แล้วถูกครอบครองด้วยสิ่งต่างๆประเภทที่อยู่ในหนังสือพิมพ์การประทะต่อสู้กันระหว่างญาติมิตรการเมืองภายในครอบครัวได้ที่ทำงานเรื่องอืดฉาส่วนตัวที่ทำให้เราว้าวุ่นใจและความสนุกสนานเพลิดเพลินที่เต็มไปด้วยกามมั่หาถ้าเราไม่รู้จักวิธีที่จะปล่อยวางหนังสือพิมพ์ในจิตใจของเราลงเป็นครั้งเป็นคราว ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราหมกมุ่นและถ้ามันคือทั้งหมดที่เรารู้จักคุ้นเคยเมื่อ น, นั้นเราจะไม่มีวันได้ประสบกับความปีติเอิบบานใจที่ไห้มลพิษและความสงบสุขของธรรมชาติที่สวยงามที่สุดเราจะไม่มีวันรู้จักปัญญา อาตมาบางคนชอบออกไปกินอาหารนอกบ้านบางค่าคืนเขาพากันออกไปที่ร้านอาหารที่หรูและแพงมากๆที่ที่เขาพร้อมจะจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่ออาหารที่วิจิตรประณีตอย่างไรก็ตามพวกเขามักจะทำให้ประสบการณ์นั้นเสียเปล่าเพราะเขาละเลยรสชาติของอาหารแพงๆนั้นโดยจดจ่ออยู่กับการสนทนากับเพื่อนร่วมโต๊ะของเขา ไร่เล่าจะพูดคุยระหว่างฟังคอนเสิร์ตจากวงออเคสตราชั้นเยี่ยมการพูดคุยไร้สาระย่อมเป็นอุปสรรคต่อความเพลิดเพลินในเสียงด น, นตรีที่ไพเราะและอาจเป็นเหตุให้ถูกโยนออกไปข้างนอกอีกด้วยแม้เวลาดูหนังเรื่องดีๆเราย่อมไม่ชอบใจเมื่อมีเสียงรบกวนดังนั้นทำไมคนเรา จึงชอบพูดคุยซุกซิบมินาเวลาออกไปกินข้าวนอกบ้านถ้าร้านอาหารนั้นไม่อร่อยมันอาจจะเป็นความคิดที่เข้าท่าที่จะเริ่มพูดคุยกันเพื่อไม่ต้องใส่ใจอาหารที่ไรรสชาแต่เมื่ออาหารนั้นอร่อยมากมาก แล้วยังแพงมากอีกด้วยการที่เราจะบอกเพื่อนร่วมโต๊ะให้หยุดพูดเพื่อเราจะได้ลิ้มรสความอร่อยให้คุ้มค่าเงินของเรานั้นถือได้ว่าเป็นการกินที่ชาญฉลาดแม้ขณะที่เรากินอยู่ในความสงบเรายังมักจะพลาดการลิ้มรสในขณะหนึ่งขณะหนึ่ง ขณะที่เรากําลังเคี่ยวอาหารชิ้นหนึ่งอยู่การพิจารณารสชาติของเราอาจจะวอกแวกไปเมื่อเรามองดูจานอาหารของเราเพื่อเลือกว่าจะเอาซ่อมจิ้มชิ้นไหนต่อไปบางคนอาจจะคิดเลยไปถึงชิ้นที่สองและสามข้างหน้าด้วยซ้ำหนึ่งคำในปากอีกหนึ่งคำซ่อมจิ้มรอไว้แล้วและอีกคำหนึ่ง กองรออยู่บนจานขณะที่จิตของเรามุ่งไปสู่อาหารที่ซ้อมจะจิ้มเป็นลำดับที่สามแล้วเพื่อจะได้รู้สึก อ, อ, อร่อยในรส ช, ชาติอาหารของเราและเข้าใจชีวิตอย่างสมบูรณ์ <Leg documentary> เราต้องรู้จักการอยู่ในปัจจุบัน ในการกินอาหารเราก็รู้อยู่กับรสของอาหารทีละคำทีละคำในชีวิตประจำวันเรารู้จักรสชาติของปัจจุบันทีละขณะทีละขณะเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงจะได้ใช้เงินอย่างคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ในภัตตาคารห้าดาวที่เรียกว่าชีวิต ในฐานะประสงค์ในพุทธศาสนาอาตมามักจะต้องไปพูดออกรายการศพทางวิทยุอาตมาน่าจะรอบครอบกว่านี้ ในการที่จะตอบรับเชิญไปพูดที่สถานีวิทยุหนึ่งในคืนวันหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้หลังจากที่อาตมาเข้าไปในสตูดิโอเจ้าหน้าที่บอกอาตมาว่ารายการนี้เป็นรายการของผู้ใหญ่และอาตมาจะถูกถามสดๆพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านพฤติกรรมทางเพศที่มีชื่อเสียงเหล่าลั้น เมื่อเราได้แก้ปัญหาเรื่องการออกเสียงชื่อของอาตมาทางวิทยุแล้ว เ, เราตกลงกันว่าอาตมาจะถูกเรียกว่ามิสเตอร์มังค์การตอบคำถามของอาตมาผ่านไปได้ด้วยดีในฐานะพระผู้ประพฤติพรมจรรย์ อาตมารู้รายละเอียดของความสัมพันธ์ทางเพศน้อยมากแต่ปัญหาพื้นฐานที่คนโทรเข้ามาถามนั้นอาตมาเข้าใจได้ง่ายๆในไม่ช้าทุกคำถาม ท, าที่มีคนโทเข้ามาก็ถูกส่งมาให้อาตมาแล้วมันก็หลงเอ่ยด้วยการที่อาตมาต้องทำงานเกือบทั้งหมดตลอดเวลาออกราดับสองชั่วโมงแต่คนที่รับเช็คเป็นเงินจานวนก้อนโตกลับเป็นผู้เที่ยวชาญมืออาชีพ ด้านพฤติกรรมฐานเพศคนนั้นส่วนอาตมาผู้เป็นพระซึ่งไม่สามารถรับเงินได้จึงได้รับเพียงแค่ ช, ชค็อกโกแลตแท่งเดียวเท่านั้นปัญญาแนวพุทธแก้ปัญหาพื้นฐานได้อีกครั้งเรากินเช็คไม่ได้และ ช, ช็อกโกแลตแท่งนั้นก็อร่อยซสด้วยหมดปัญหาอืม รายการถามตอบปัญหาทางวิทยุอีกรายการหนึ่งมีคนโทรมาถามอาตมาดังนี้ผมแต่งงานแล้วแต่ผมกําลังจะมีความสัมพันธ์กับหญิงอีกคนหนึ่งเมียของผมไม่รู้เรื่องนี้มันถูกต้องไหมโยมจะตอบว่าอย่างไรละ่ะอาตมาตอบว่าถ้ามันถูกต้องแล้วลราก็โยมคงจะไม่โทรมาถามอาตมาหรอก คนจำนวนมากชอบถามคำถามเช่นนี้ทั้งๆ ท, ที่รู้ตัวว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นะ่ะไม่ถูกต้องแต่โทรมาด้วยความหวังว่าจะมีผู้เที่ยวชาญบางคนทำให้เขาเชื่อได้ว่ามันถูกต้องลึกเข้าไปภายในคนส่วนมากจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด เพียงแต่คนบางคนจะไม่ยอมรับเท่านั้น อ า, อาจารย์พรมอยู่ไหมคนที่โทรมาถามเสียงเครียดหญิงชาวเอเชียผู้ น, นอบน้อมซึ่งเป็นคนรับโทรศัพท์ตอบว่าเสียใจคะ่ะท่านกำลังพักผ่อนอยู่ในห้องการณุณาโทรกลับมาอีกครั้งในส0สนาทีนะคะคนโทรมาํารามก่อนที่จะวางกูไปว่า เฮ้ยเขาจะตายภายในสามสิบนาทีนี้แหละยี่สิบนาทีต่อมาเมื่ออาตมาออกมาจากห้องหญิงสูงวัยชาวเอเชียคนนั้นยังคงนั่งสั่นอยู่ด้วยความกลัวและใบหน้าที่ซีดเผือด อื่นกำลังล้อมเธออยู่พยายามที่จะหาสาเหตุว่ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นแต่เธอก็ตกใจเกินกว่าจะพูดอะไรออกมาได้เมื่ออาตมาปล่อยโยนเธอเธอจึงพโล่งออกมาว่ามีคนกำลังจะมาฆ่าท่าน อาตมาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่หนุ่มชาวออสเตรเลียนคนหนึ่งตั้งแต่เขาเพิ่งทราบว่าเขาเป็นเอ v วีบวกอาตมาสอนให้เขานั่งสมาธิและสอนกุศโลบายที่จะช่วยให้เขารับมือกับโรคร้ายได้ขณะ น, นี้เขากำลังจะตายอาตมาไปเยี่ยมเขาเมื่อวานซืน และคาดว่าจะได้รับโทรศัพท์จากคู้ขาของเขาเมื่อใดก็ได้อาตามาจึงเดาได้ว่าโทรศัพท์นั้นความจริงหมายถึงใครมันไม่ใช่อาตามาตที่จะตายภายในสามสบนาทีหากแต่เป็นชายหนุ่มผู้ป่วยด้วยโรคเอชต่งางหาก อาตมารีบไปที่บ้านเขาและทันพบเขาก่อนตายเพราะดีที่อาตมาได้อธิบายเรื่องความเข้าใจผิดนี้ให้หญิงชาวเอเชียที่กำลังตกใจกลัวได้รู้ก่อนที่เธอจะตายไปด้วยจากการช็อกบ่อยครั้งเพียงใดที่สิ่งที่คนพูดกับสิ่งที่เราฟังไม่ตรงกัน สองสามปีที่แล้วปรากฏเรื่องอื้อเฉาเกี่ยวกับพระไทยในหนังสือพิมพ์ต่างประเทศพระมีข้อวัดปฏิบัติที่จะต้องรักษาพรหมจรรย์อย่างเคร่งครัดในฝ่ายเทอรวาดเพื่อให้พระอยู่เหนือข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับการประพฤติพรหมจรรย์พระจะมีการสัมผัสทางกายกับผู้หญิงไม่ได้เลยไม่ว่าในกรณีใด เช่นเดียวกับแม่ชีซึ่งจะสัมผัสทางกายกับผู้ชายไม่ได้เช่นกันในเรื่องอื้อฉาวที่ถูกตีพิมพ์พระบางรูปไม่ปฏิบัติตามพระวินัยทําตัวเหลวไหลและนักข่าวก็รู้ดีว่าความเรียบร้อยของพระดีๆน่าเบื่อเมื่อเทียบกับเรื่องอื้อฉาวของพระเหลวไหล ในช่วงที่เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นอาตมาคิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่อาตมาจะสารภาพเรื่องของอาตมาดังนั้นเย็นวันศุกร์หนึ่งที่วัดของเราในเมืองเพิรต่อหน้าผู้ฟังราวๆสามร้อยคนหลายๆคนเป็นโยมอุปถัมภ์มานาน อาตมารวบรวมความกล้าที่จะสารภาพความจริงอาตมาเริ่มว่าอาตมามีาเรื่องจะสารภาพมันไม่ง่ายนะครอกเมื่อหลายปีมาแล้วอาตมารียรอสักพักแล้วอาตมาจึงพูดต่อเมื่อหลายปีเลยแล้ว อาตมาใช้เวลาช่วงที่มีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วอาตมาก็หยุดชะ ง, งักอีกครั้งในที่สุดอาตมาก็สารภาพออกมาว่าอาตมาใช้ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตในอ้อมแขนที่อุ่นด้วยอิรักของภรรยาชายืน เราโอกอกกันเราลุกไลกันเราจูบกันอาตมากล่าวจบพร้อมอาการขอตกและตาก้มต่ำมองพรหมเบื้องลกอาตมาสามารถได้ยินเสียงะหนกตกใจจากญาติโยมบางคนยกมือปิดปากที่อ้าคางด้วยความชอ็อก อาตมาได้ยินเสียงประสิทธิ์ว่าโอ้ยท่านอาจารย์พรหมก็เอากับเขาเด้อหรออาตมามองเห็นภาพบรรดาโยมที่อุปถัมภ์วัดมานานพากันเดินออกจากประตูไปโดยที่จะไม่หวนกลับมาอีกแม้แต่คารวา ก, ก็ไม่สมควรทำกับภรรยาของชายอื่นมันเป็นการผิดลูกผิดเมียเขาอาตมาตั้งศีรษะขึ้นตรง มองไปยังผู้ฟังอย่างมั่นใจและยิ้มญิงคนนั้นอาตมารีบอธิบายก่อนที่ใครสักคนจะเดินออกจากประตูไปยญิงคนนั้นคือแม่ของอาตมาเองและแม่ของรังที่อาตมายังเป็นในเบบี้นั่นแหละ ผู้ฟังของอาตมาระเบิดวระออกมาอย่างโล่งใจนี่ เ, นเรื่องจริงนะอาตมาพูดดังๆใส่ไมโครโฟนสู้กับเสียงวระนั้นเธอเป็นเมียของชายอื่นพ่อของอาตมาเองเรากอดเรารูปไหล่เราจูบกันมันเป็นช่วงเวลาที่อาตมามีความสุขที่สุดในชีวิตช่วงหนึ่งทีเดียวเฉยลัง เมื่อบรนดาผู้ฟังปางต่างตาทิ้งและหยุดหัวรออาตมาได้ชี้ประเด็นว่าพวกเขาเกือบทุกคนได้ตัดสินอาตมาอย่างผิดพลาดไปแล้วแม้ว่าพวกเขาจะได้ฟังเรื่องราวจากปากของอาตมาเองและความหมายของข้อความเหล่านั้นชัดเจน ม, มากแต่พวกเขายังสามารถโดนไปสู่บทสรุปที่ผิดพลาดได้ โชคดีโดยแท้ที่ครั้งนี้เป็นแค่เรื่องที่อาตมาตั้งใจรอเล่นอาตมาจึงสามารถชี้ให้เห็นความคิดเห็นที่ผิดของพวกเขาได้อาตมา ถ, ถามขึ้นว่ากี่ครั้งกี่หนแล้วที่เราไม่ได้โชคดีเช่นนี้และได้ด่วนสรุปจากหลักฐานที่ดูเหมือนว่าแน่นอนนัก เพื่อจะได้พบว่ามันผิดผิดอย่างมหันและให้ผลร้ายสะดวยการตัดสินเรียงลงไปว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งอื่นผิดหมดไม่ใช่ปัญญา เปกว้างเป็นเรื่องที่ดีนักการเมืองเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีชื่อเรื่องการเปิดกว้างเสียได้แต่ว่าส่วนที่เขาเปิดกว้างนั้นไม่ได้อยู่บริเวณสวงอกแต่เป็นบริเวณช่วงระหว่างจมูกและคานของเขามากกว่ามันเป็นเช่นนั้นมาหลายร้อยปีแล้วดังเช่นที่แสดงไว้ในนิทานชาดกหลายเรื่อง เมื่อหลายร้อยปีมาแล้วพระราชาองค์หนึ่งทรงรําคาญเสนาบดีคนหนึ่งของพระองค์เพราะไม่ว่าใครจะยกเรื่องอะไรขึ้นมาพิจารณาในราชสำนักเสนาบดีคนนี้จะต้องขัดจังหวะขึ้นแล้วเริ่มยึดครองการพูดอยู่คนเดียวโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยไม่มีใครสักคนแม้แต่พระราชาที่จะมีโอกาสพูดบ้าง ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่เสนาบดีคนนั้นพูดก็น่าเบื่อสุดๆมันกลวงซะยิ่งกว่าข้างในของลูกปินปองเสีอีกหลังจากการประชุมอีกครั้งหนึ่งที่ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรพระราชาได้เข้าไปหาความสงบในสวนของพระองค์ ห่างไกลจากความวุ่นวายสับสนของการเมืองในราชสำนักในสวนด้านที่เปิดให้ราษฎรเข้ามาเที่ยวเล่นได้พระองค์ทรงเห็นเด็กกลุ่มเล็กๆกำลังหัวเราะ ก, กันอย่างสนุกสนานตื่นเต้นขณะที่พวกเขารุมล้อมชายพิการวัยกลางคนที่นั่งอยู่บนพื้นเด็กๆให้เงินชายผู้นั้นสองสาเรียญแล้วชี้ไปที่ต้นไม้ใบดกต้นเล็กๆและบอกว่า อยากได้ไก่ตัวหนึง่งชายคนนั้นดึงถุงซึ่งเต็มไปด้วยกรวดก้อนเล็กๆและหลอดเป่าเมล็ดถั่วออกมาแล้วเริ่มยิงโกรดใส่ต้นไม้นั้นเขาปลิกใบไม้ให้ร่วงลงใบแล้วใบเล่าด้วยการยิงอย่างรวดเร็วจากหลอดเป่าเมล็ดถั่วนั้นในเวลาอันสั้นจนไม่น่าเชื่อและด้วยการยิงที่แม่นยําไม่พลาดเป้า เขาได้ตกแต่งต้นไม้นั้นให้เป็นรูปไก่ตัวผู้เด็กๆให้เงินเ็าเพิ่มแล้วชี้ไปที่พุ่มไม้ใหญ่พร้อมกับขอช้างสักตัวนักเป่าพิการก็สามารถจัดการตกแต่งพุ่มไม้นั้นให้มีรูปลักษณะเป็นช้างได้โดยหลอดเป่าไม่ได้ถั่วของเขาขณะที่เด็กๆกำลังกรบ ม, มือให้ชายผู้นั้นพระราชาก็เกิดไอเดีย เป็นขึ้นมาพระราชาก็ไปหาชายพิการนั้นและบอกว่าจะทำให้เขาร่ำรวยเกินกว่าเขาจะนึกฝันถ้าเขาสามารถช่วยแก้ปัญหาเล็กๆที่ทำให้พระองค์รำคาญใจได้พระองค์กระซิบอะไรบางอย่างที่หูของเขา ชายผู้นั้นพยักหน้าตกลงทำให้พระราชายิ้มออกเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเช้าวันรุ่งขึ้นการประชุมในราชสำนักเริ่มขึ้นตามปกติไม่มีใครสังเกตอะไรนักกับผ้าม่านใหม่ บนกำแพงด้านหนึง่งคณะเสนาบดีจะต้องพิจารณาเรื่องการขึ้นภาษีพระราชาแทบจะยังประกาศวาระการประชุมไม่จบเสด็จสั่เสนาบดีผู้บ้าน้ำลายสุดๆก็เริ่มการพูดที่เยื่นเย้อของเขาทันทีเมื่อเขาอ้าปากเขารู้สึกว่า มีอะไรเล็กๆนุ่มๆประทะเข้าที่คอและคร่วงหล่นไปในกระเพาะของเขาเขาพูดต่อแต่แล้วอีกสองสามวินาทีถัดมาอะไรที่เล็กๆนุ่มๆก็เข้าปากเขาอีกเขากระเดื่อมันลงไประหว่างประโยคแล้วก็พูดต่อครั้งแล้วครั้งเล่าที่เขาต้องเกลืนอะไรที่ว่าลงไปขนาดที่เขาพูด แต่สิ่งควนใจเพียงแค่นั้นไม่สามารถทำให้เขาหยุดพูดสิ่งที่เขาต้องการพูดได้หรอกหลังจากการสาธยาอย่างเมามันสักครึ่งชั่วโมงกระเดือกอะไรก็ไม่รู้ลงไปทุกๆสองสามวินาทีเขารู้สึกอยากจะัอเจียนเต็มแก่แต่ด้วยความบ้าน้ำลายสุดๆเช่นกันเขาก็ยังไม่ยอมหยุดพูดเพียงสองสามนาทีหลังจากนั้นหน้าของเขาก็ซีดเผือก ราวกับคนป่วยท้องของเขาปั่นป่วนด้วยความคลื่อนไส้และในที่สุดเขาจําใจต้องหยุดพูดมือข้างหนึ่งกุมท้องที่ปั่นป่วนส่วนอีกมือหนึ่งตะปบปากไป็นแน่นเพื่อปิดไม่ให้อะไรอะไรที่น่าขยะข ย, ะขยงหลุดออกมาเขาเรียกวิ่งจูดไปเข้าห้องน้ําที่ใกล้ที่สุดอย่างสิ้นหวังเต็มที พระราชาผู้กำลังยินดีปรีดาเดินไปเปิดผ้าม่านและรูดมันออกเผยเห็นชายพิการที่ซ่อนตัวอยู่หลังผ้ามา่านพร้อมเด้หลอดเป่าถั่วของเขากับถุงใส่กระสุนแล้วพระราชาก็ต้องหัวเราะจนตัวสั่นอย่างหยุดไม่ได้เลยเมื่อเห็นถุงกระสุนขนาดใหญ่มากซึ่งบัดนี้เกือบจะว่างเปล่า ถุงใส่เม็ดที่ไก่ซึ่งถูกเป่าลงคอหอยของเสนาบดีผู้น่าสงสารอย่างแม่นยำตรงเป้าที่สุดเสนาบดีคนนั้นไม่ได้กลับมาร่วมประชุมในราชสำนักอีกเป็นเวลาหลายสัปดาห์เห็นได้ชัดเลยว่า การงานต่างๆสำเร็จเสร็จสิ้นลงมากขนาดไหนเมื่อขาดเข้าไปเมื่อเขากลับมาเขาแทบจะไม่พูดอะไรเลยและเมื่อเขาพูดเขาจะต้องยกมือขวาของเขาป้องปากไว้เสมอ ในรัฐสภาของเราในปัจจุบันการมีนักเป่ามือฉมังอย่างนั้นสักคนคงจะช่วยให้การงานเดินรถหน้ามากขึ้นเป็นแน่หมายเหตุ <S <S นิทานเรื่องนี้มีเขาโครงเรื่องมาจากนิทานชาดกเรื่องที่ร้อยเจ็ด มากอาจจะเป็นได้ว่าถ้าคนเราได้เรียนรู้ความสงบในช่วงต้นๆของชีวิตมันคงจะช่วยให้เราหลีกพ้นปัญหาได้มากมายในเวลาต่อมาอาตมาเล่าเรื่องต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวกับความสำคัญเยี่ยงชีวิตของการปิดปากเงียบ พวกเด็กๆที่มาเยี่ยมฟังครั้งหนึ่งนานมาแล้วในทะเลสาบนบนเทือกเขาแห่งหนึ่งมีเต่าพูดมากตัวหนึ่งอาศัยอยู่เมื่อใดก็ตามที่มันเจอสัตว์ตัวอื่นๆที่อาศัยร่วมน้ำเดียวกันมันจะพูดพูดพูดพูดพูดพู ด, พดโดยไม่มีเบญบา จนผู้ฟังทั้งหลายเบื่อและนายแถมยังรำคาญสุดๆพวกมันมักจะสงสัยว่าทำไมเจ้าเต่าพูดมากสามารถพูดได้ยาวนานมากโดยไม่มีการหยุดหายใจเลยเจ้าเต่าคงหายใจผ่านรูหูกระมังเพราะไม่เคยเห็นใช้หูฟังใครมันเป็นเต่าที่น่าเบื่อสุดๆชนิดที่กระต่ายจะเรียบมุดเข้ารูนกจะเรียบบินขึ้นยอดไม้ และปลาจะต้องรีบหลบเข้าซอกหินในทันทีที่เห็นเจ้าเต่ากำลังจะเข้ามาใกล้พวกมันรู้ว่าจะโดนติดแงะอยู่หลายชั่วโมงแน่ถ้าเจ้าเต่าพูดมากเริ่มต้นพูดฉะนั้นจริงๆแล้วเจ้าเต่าพูดมากรู้สึกเหงาและเดียวดาย ในช่วงฤดูร้อนของทุกปีหงขาวที่สง่า ง, งามกู่หนึ่งจะมาพักผ่ที่ทะเลสาบในภูเขานี้เป็นประจำมันใจดีเพราะมันปล่อยให้เจ้าเต่าพูดมากพูดไปเรื่อยตามสบายหรืออาจจะเป็นเพราะมันคิดว่ามันมาอยู่แค่สองสามเดือนเท่านั้นก็ได้เจ้าเต่าพูดมาก ชื่นชมพอใจกับการได้เป็นเพื่อนกับผงมากมันจะพูดกับหงใจดีคู่นั้นจนกระทั่งดวงดาวหมดประกายแสงระปบระยับแล้วหลับฟ้าไปหงใจดีอดทนฟังมันพูดเสมอเมื่อรุดูร้อนกำลังจะผ่านพ้นไป และความหนาวเย็นเริ่มมาเยือนหงคู่นั้นเตรียมตัวกลับบ้านและเจ้าเต่าพูดมากก็เริ่มร้องไห้มันเกลียดความหนาวและการสูญเสียเพื่อนมันพูดเสียงหล่อยห้ว่าถ้าฉันไปกับเธอได้คงจะวิเศษแน่บางทีเวลาหิมะปกคลุมเนินเขา และน้ำในทะเลสาบกลายเป็นน้ำแข็งฉันหนาวและก็เหงามากพวกเต่าเราหนะบินไม่ได้แต่ถ้าจะต้องเดินแค่เดินไปได้นิดเดียวก็ここถึงเวลาที่จะต้องเดินกลับแล้วเพราะพวกเต่าเราหนะเดินช้าผมก็มีใจเมตตากนาเห็นเต่าเศร้านัก ก็รู้สึกสงสารมันจับใจเลยยื่นข้อเสนอกับเจ้าเต่าพูดมากว่าเจ้าเต๋าที่รักอย่าร้องไห้ไปเลยเราจะพาเธอไปกับเราด้วยถ้าเธอสามารถรักษาสัญญาข้อหนึ่งได้ได้ได้ฉันสัญญาเจ้าเต่าพูดมากกล่าวอย่างตื่นเต้นแม้ว่ามันจะยังไม่รู้ไดยซ้ำว่า มันต้องสัญญาอะไรพวกเต่าเราเนะรักษาสัญญาของเราเสมอความจริงฉันจำได้ว่าฉันสัญญากับกระต่ายว่าจะพยายามปิดปากเงียบถึือสองสัปวันก่อนหลังจากที่ฉันได้อธิบายให้พวกเขาฟังถึงกระดองเต่าชนิดต่างๆและจุดๆหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเมื่อเต่าพูดมากหยุดการสาธยาย และหงก็ได้โอกาสพูดอีกครั้งมันพูดว่าเต่าเอ้ยเธอต้องสัญญาว่าเธอจะปิดปากของเธอนะเต่าก็ว่าหมูมากความจริงนะพวกเต่าเรานะ่มีชื่อเรื่องปิดปากเงียบนะพวกเราไม่ค่อยจะพูดหรอกฉันเพิ่งอธิบายเรื่องนี้ให้ปลาฟังเมื่อไม่กี่วันจุดจุดจุด กว่ามันจะพูดจบอีกหนึ่งชั่วโมงก็ได้ผ่านไปแล้วผงบอกให้เจ้าเต่าพูดมากคาบตรงกลางของไม้ด้านยาวแล้วกําชับให้มันปิดปากนิ่งแล้วหงตัวหนึ่งก็คาบปลายไม้ด้านหนึ่งไว้ในจะงอยปากส่วนหงอีกตัวหนึ่งก็คาบปลายไม้อีกด้านหนึ่งมันกระพือปีกของมัน แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้าเต่าพูดมากตัวหนักเกินไปคนที่พูดมากมักจะกินจุและเจ้าเต่าพูดมากก็อ้วนใะจนกระท้างบางครั้งมันยังไม่สามารถจะหดตัวลงไปในกระดองของมันเองได้ด้วยซ้ำหงเลยต้องหาท่อนไม้ที่มีน้ำหนักเบาลงแล้วหงทั้งคู่ก็ค่าปลายแต่ละด้านโดยให้เจ้าเต่า คาบอยู่ตรงกลาหงหงสองกระพือปีกอย่างสุดแรงยิ่งกว่าหงตัวไหนๆจะเคยกระพือมาก่อนและพยายามขึ้นฟ้าโดยคาบไม้ไว้และมีเจ้าเต่าติดไปกับไม้นั้นด้วยนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกที่เต่าบินได ยิ่งบินสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปทะเลสาบของเจ้าเต่าพูดมากก็เริ่มเล็กลงเล็กลงแม้แต่ภูเขาสูงใหญ่บัดนี้ยังดูเล็กกระจิกตรติกด้วยระยะทางที่ห่างไกลเจ้าเต่าเห็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างที่เต่าตัวอื่นไม่เคยได้เห็นมาก่อน มันพยายามอย่างยิ่งที่จะจดจำภาพทั้งหมดไว้เพื่อจะได้กลับไปเล่าให้เพื่อนๆของมันฟังแน่นอนว่าเมื่อมันถึงบ้านแล้วพวกมันบินข้าบูกเขาไปยังพื้นที่รากทุกอย่างผ่านไปด้วยดีจนกระทั่งเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่ง พวกมันบินอยู Onion ่เหนือโรงเรียนซึ่งนักเรียนกำลังเดินออกมาเด็กผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งบังเอิญแหงนหน้าขึ้นมามองโยมคิดว่าเขาเห็นอะไรก็เห็นเต่าบินได้น่ะสิเขาตะโกนบอกเพื่อนๆว่าเฮ้เฮ er ้ดูไอ้เต่าโง่นั่นสิมันบินได้ เจ้าเต่าไม่สามารถจะห้าตัวเองได้เธอเรียกใครว่ า, างังง่ะโงูแลเสียงดังขึ้นเมื่อร่างเจ้าเต่าพูดมากกระทบพื้นและนั้นเป็นเสียงสุดท้ายจากมัน เต่าพูดมากตายเพราะมันไม่สามารถปิดปากของมันได้แม้ในยามที่จําเป็นจริงๆดังนั้นถ้าเราไม่เคยฝึกที่จะหยุดพูดในเวลาที่สมควรหยุดเมื่อถึงคราวจำเป็นจริงๆเราย่อมไม่สามารถปิดปากของเราได้ อาจจะต้องพบหยุดจบแบบแบนแ ต, แต่เหมือนเจ้าเต่าพูดมากเข้าสักว่์หมายเหตุนิ<ม>ทานเรื่องนี้มีเขาโครงเรื่องมาจากนิทานชาดกเรื่องที่215 ต้องจ่ายภาษีอาตมาแปลกใจที่ภาษายังเป็นของฟรีอยู่ได้ในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ทุกอย่างล้วนแต่เป็นเงินเป็นทองไปหมดคงอีกไม่นานที่รัฐบาลฝืบเงินชุดใดชุดหนึ่ง จะประกาศให้คำพูดเป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่งและจัดเก็บภาษีจากการพูดหากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วมันอาจจะเป็นความคิดที่ไม่เลวนะความเงียบสงบจะกลับมาเป็นสิ่งสำคัญอีกครั้งพวกไปรุ่นจะไม่สามารถยึดครองสายโทรศัพท์ได้นา น, น, าน และทิวตรงเคาน์เตอร์คิดเงินในซุปเปอร์มาร์เก็ตก็จะเลื่อนไหลเร็วขึ้นชีวิตคู่จะยืนยาวขึ้นเพราะคู่สมรสหมดัดมากไม่มีเงินพอจะจ่ายค่าโต้แย้งกันได้และมันก็เป็นเรื่องดีที่คนที่เรารู้จักบางคนจะได้จ่ายภาษีมากพอที่รัฐบาลจะสามารถแจกเครื่องช่วยในการได้ยินให้แก่คนที่หูหนวกมานานปี มันจะเป็นการเปลี่ยนภาระในการจ่ายภาษีจากผู้ที่ทำงานหนักมาเป็นผู้ที่พูดมากแทนและแน่นอนว่าในระบบภาษีที่น่าชื่นชมนี้ผู้ที่เสียภาษีมากๆในอันดับต้นๆจะเป็นพวกนักการเมืองนั่นเองยิ่งเขาเถียงกันในสภามากเท่าใหยอดภาษี ที่จะมีไว้ใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลและการศึกษาก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นความคิดนี้ช่างดีเสินี่กร่ไรประการสุดท้ายสำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับระบบภาษีนี้ใครล่ะจะมีสตางค์พอที่จะโต้แย้งอย่างเอาเป็นเอาตายได้